ฝนตกนะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับวิชากรรมฐานฝนตกแด้ออกจะเป็นกลองเคืองกลองรดจนไหนปีได้บันไดไม่เขียวการฝึกสติ จะงดจิตใจไม่มีการไม่มีเวลาสามารถทำได้ทุกโอกาสไม่มีสิ่งอ้างเพื่อไม่ทำกรรมฐานไม่มีในโลกการทำมาแต่จะอ้างได้แต่การทำเต็มทางจิตไม่มีอะไรอ้างได้เป็นการกระทำได้ทุกโอกาส มีความรู้โด้ทุกเวลายิ่งเวลาใดมันหลงยิ่งมีความรู้เวลาใดมันทุกข์ก็ยิ่งมีความรู้สึกตัว <c oughs> เวลาใดที่มันมีปัญหาก็มีความรู้สึกตัวนี่คือกรรมฐาน ถ ห, หมือคล่องแค่วสะดวกถ้า <c oughs> ไม่เวลามันหลงหลงไปไม่สะดวกเลยเป็นทุกขะปฏิปทาปฏิบัติลำบากแบบนั่นเนิ่นชาเนิ่นชาเดินลาตายมันทุกทุกเลย นันเชาเป็นทุกขะปฏิปทาไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมเลยก็หลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธเป็นทุกขะปฏิปทาไม น, นว่าจะสะดวกทางใดก็ตามในรักธรรมถือว่าเป็นทุกขะปฏิปทานะ ม, มีโอกาสบรรลุธรรมก็ได้อาจจะนั่นชาก็ได้แต่ถ้าหลงเป็นมันหลงอาจจะไม่นั่นชาเป็นสุขปฏิปทาโลได้ง่ายถึงง่ายรัดสัน้นปวดวิชาไม่นั่นชา ถ้ามันทุกข์เห็นมันทุกข์โกรธเห็นมันโกรธเนี่ยไม่เนื่อนชาเป็นสุขปฏิปทาอย่าไปเอาการกระทาภายนอกเป็นเกณฑ์ที่วัดเอาเกณฑ์ที่วัดภายในคือจิตใจเพราะการบาเพ็ญทั้งจิตับ ในมรรคผลมันหมายถึงจิตใจที่ฝึกหัดตีแล้วถ้าไม่หัดยังไม่ได้ประโยชน์จากกิตใจอาจจะเป็นโทษได้ความสะดวกความลำบาก แต่แปะเรื่องของกายบางทีเขามีคนพูดว่าการมานั่งยกมือช่างจังหวะมันเป็นทุกขะปฏิปทามันไม่ใช่ตอนเดินจงกรมไม่หลับไม่นอนเป็นทุกขะปฏิปทามันก็ไม่ใช่เอาภายนอกเป็นชิงโก๋โดกฝ้าผิดฝ้าถูกไม่ใช่เลย อย่างวัยลางจาข้าวผ่าพืนไม่ค่อยได้นั่งฟังเทศฟังธรรมทาไมจึงได้เป็นพระสังฆราชองค์ที่หกผู้ที่นั่งฟังเทศฟังธรรมผู้ที่ไม่ลำบากให้ําข้าวทําไม่ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรไปทุกข์ขับเทวดา ลำบากแบบไหนจะเอาความลำบากความง่ายเรื่องของกายเอาความลำบากเรื่องของจิตใจที่มันไม่หัดตอนนั้นชัดเจนจะไปพูดว่า <c oughs> การยกมือช่างจังหวะมันเป็นทุกข์ครับปฏิปทาอะไรชิตปัญญา หรือว่าอะไรก็ไม่รู้ภาษาว่าเลยทันท่าปิญญาทันท่าปิญญาละรู้รมได้ยากคิดปรับปิญญารู้รมได้ง่ายถูกไหมท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเราว่าได้เรียนนะแต่อยากพูดอ้างอิง มักอ่านอื่นนะ <c oughs> นี่เคยเจนนะที่นี่ในวานก็ได้พวูดว่าลอยล่งลอยแห่งชีวิตมีกรรม พ้กรรมแล้วอย่างไรทีระหว่างสุกเห็นวันสุกอาจจะลบลอยได้ง่ายนั้นลอยที่พูดว่าลอยมีดฉีดวนน้ำลอยมีดฉินวนดินลอยมีดฉตดบนหินอะไรที่มันลบง่าย ถ้าลอยมีดขีดปนเห็นมันลบยากคืออะไรอปรุปมาอุปมาลอยมีดขีดปนเห็นคือคือสุขเป็นสุกทุกข์เป็นทุกข์ไม่ค่อยลบสักทีเลยถ้าลอยมีดขีดปนดินคืออย่างไรที่เห็นเห็นสุขเห็นทุกข์ ก็ลอยมีดฉีดบนน้ำไม่เป็นผู้โศกไม่เป็นผู้ทุกข์นั่นแหละมันลบไง่ายง่ายถ้ามีบาปมีกรรมก็ลบไม่ชินกรรมก็ชินตรงนี้ไม่ใช่ชินกรรมคือตายไปไม่ใช่แบบนั้นชินกรรมทุนกรรมคือมรรคผลนิทานคือตายไม่ใช่แบบนั้น ชื่นกล่มเคยชื่นแบบนี้ไม่มีภัยคือไม่มีแบบนี้โดยมีขีบบนน้ำคือเห็นไม่เป็นมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกมันสุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุกมันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธอะไรมันตรงแบบนี้เรียกว่า เรียกว่านิโรธนะในองค์มรรคและวิธีทาร็ทาแบบนี้นะไม่ใช่ไปเอาเพียนอย่างอื่นไปนั่งหลังขดหลังงอตัอ้งกายให้ตรงล้ำลงสติให้มันเดินรูปแบบฝึกกรรมฐานตีแล้วคางไปนั่ง ชั่วโม ง, งแปดชั่วโมงน อ, อกจากานั่งเดินสาธิตจ ง, ง <c oughs> กรมได้ว่าเท่ากับรรมาฐานเข้มอะไรเข้มมันเข้มอยู่ที่ไหนจึงจะเรียกว่าเจ็บอาลมกรรมาฐานเข้ม เข้มคืออย่างนี้คือเห็นถ้าหย่อนอย่อนคือเป็นเป็นสุขมันทุขเป็นทุขเป็นทุกข์เป็นทุกข์หย่อนเป็นการมมัชฌขันธ์กาญโยกทุกข์เป็นทุกข์กมมขขท้อโกรธเป็นโกรธใจเฉืมมขข่อยใจเป็นเป็นเป็นกรมมชขันธ์กายกไม่มีโอกาสบุธรรม หย่อน ไ, <c oughs> น, นไม่ใช่โลกแบบนอไม่ใช่โลกแบบเพรเป็นเจนกันกรรมฐานเช่นคือหลไรคือเห็นไม่เป็นเชืม่มมันเห็นมันมีทุกโอกาสก็เห็นทุ ก, กาไม่เป็นทุกโอกาสเรียว่าเชื่อมก ร, รมฐานเชื่อม เรื่องอย่างนี้อะไรอยู่ที่ไหนอยู่ที่การกระทากรรมฐานคือกรรมในการทำแบบนี้ไม่ใช่รูปแบบยุกหนของงอสมมารหังสติปัฏฐานานาปานาสติกอันนั่นเป็นเค้นเป็นสมมุติบัญญัติเหมือนกับการใชรคมานต่างๆ หาหมาใช่งั้นเราประกัดวิชาชีพศาสตร์ต่างๆหาหมาใช่มันมันรู้จักพิษทานได้ง่ายก็เป็นสูตรของแบบนั้นก็สูตรพระวิธรรมพระวิไนนี่มันมีเหมือนมีอย่างนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อ ความหลุดพ้นทำไมจึงมีพระสูตรพระวิธรรมพระวินยัยเพราะมีคนก็ยากดื้อนะกับนฎหมบ้านเมืองก็ไม่มีความก็ยากไปดื้อมันก็ไม่ต้องมีอะไรกฎหมก็ไม่ต้องมีเดินไปเองตามธรรมชาติ <c oughs> <c oughs> อยู่โดยชอบ อยู่โดยชอบอยู่ที่ลุ่มอยู่ที่ดอนอยู่ที่น้ำอยู่ที่ป่าอยู่ที่บ้านได้ทั้งนั้นตามอยู่โดยชอบเดาจึงรับมาตวนี้หน่อยเห็นไม่เถ็มนั้นหลงเห็นหลงไม่เต็มพูดหลง เหมือนลบลอยลอยกรรมเราก็มีรอยกันทั้งนั่นแ่ะมาซ่อมมันลดมือ ส, งงสองโาซบมีรอยแห่งความสุขมีรอยแห่งความทุกข์รออยแห่งความรักความชังมอรอยแห่งความได้เรีบเสีย <c oughs> เคย่าน มีเผอมาแล้วูกชนมาแล้วงานอู่ซ่อมและกรรมฐานเนี่ยซ่อมตรงไหนหลักวิดเราเนี่ยลเลอเห็นไหมกามีความรู้ก็เป็นช่างแล้วซ่อมชีวิตของเราซ่อมใจซ่อมใจของเราลามันหลง เดินหลงไม่เป็นผู้หลงมีสติกตั้น่หละทำให้ดีขึ้นมีไหมมันหลงมีไหมถ้ามันมีหละงานของเราทำอย่างไรทำอย่างไรไม่ต้องมีคำถามไม่ต้องมีคำถามจะ <c oughs> ทำอย่างไรไปฏิบัติอย่างไร เราท่านก็ถามท่านเองเป็นโจทย์เองเป็น จ, จำลอยเองเปดภาคสาเองในตัวเสฉดอย่างนันหลงมัน ล, งนละงานของเราแล้วกม็มาจบบันทุกงานของเราบรนจุดบันถูกงานของเราบรรจัยไม่พอใจเป็นงานของเรา งานที่จะได้ชีวิตงานแบบนี้ <c oughs> ได้ชีวิตไม่ใช่ด้อร่างกายเลือดเนื้อที่มันทํายืนเดินนั่งนอนเนีอย่างมาใช่ชีวิตได้ชีวิตคือเนี่ยเพ่มาเห็นนะเนี่ยถ้ามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงมีชีวิตขึ้นมาอุบัติขึ้นม า, อนมาโอปะป ะ, ะือกาขึ้นมาแล้ว กำเนิดเกิดขึ้นแล้วพุทธะเกิดเปนลักษณะแบบนี้เมื่อมันหลงนานแล้วมันสศกมันทุกข์มันเกิดมันถูกมีไหมนั่งอยู่สุโกโตมันหลับไปไหนเจะนอนไปไหนมันนอนไหมทำอะไรมันอยู่ตรงนั่นไหม เป็นปัจจิตต่างไหมหรือมันวิ่งไปอดีตวิ่งไปดาคตปัจจุ บ, บันอยู่ที่ไใดสิ่งที่ทำได้ไม่มีมีสิ่งทำมาได้ขั่วน้มเหลวอดีตก็เป็นน้มเหลวดาคตก็เป็นน้มเหลวน้มเหลวไม่พอเน่าด้วยไม่มีประโยชน์ ชีวิตน้ำเน่าน้ำเหลววิ่งไปอดีตวิ่งไปอนาคตวิชากรรมฐานจึงเป็นวิชาที่ปัจจุบันสร้า <c oughs> งให้อยู่ในปัจจุบันได้ยินไหมเียงขนัตกฮนะ <c oughs> ก็สนุกนะบรรลุษทรตอนฝนกตกก็ได้ไรเงีย้ยตอนยากมันจะง่ายขึ้นมามันจะมีความไมยเวลามันยากมันจะมีความถูกเวลามันผิดบเดี๋อโอกาสแต่เนี่ยใส่ใจตรงนี้ ทำในใจตรงนี้ฝึกตนตรงนี้ถ้าตรงที่มันมีปัญหาไม่มีปัญญามันก็ไม่จบไม่ขึ้นสักทีถ้าไม่ฝึกตรงนั้นท <c oughs> าอะไรไม่เป็นไม่ทำเฉลยมันก็ไม่เป็นทักที ถ้าทำแล้ววันผิดอันละคนทำงานเหินมาผิดโูกแล้วคนที่เห็นเองว่าผิดเป็นบันดิตขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเห็นคนอื่นผิดยังเป็นคนทาน ถ้าเห็นตัวเองคิดเป็นบัณฑิตมองตนแล้ว <c oughs> มีการเกิดตจโสนตนไม่มีการ เ, รเวลาไม่มีสิงอ้างแก้ได้ทุกโอกาสไม่มีฤดูงั้นทำมาทำไม่ทำนา ไม่ผลทุกโอกาสเป็นมากเป็นผลทุกโอกาสน่าจะง่ายนะน่าจะกระตือโดยรุ่นถ้ามาศึกษาตามล่องลอยพระโยคบบาทพุทธเจ้าเรามันก็เห็นล่องลอยเห็นพิศทางไปเรื่อยๆถ้ามันหลงมันบอกไม่หลง ถ้ามันผิดมั้นบอกไม่ผิดเหมือนทางนิตภาพไม่เวทุเวทับเวฟีเวเวลาทางที่ขอทำเลนทาง <c oughs> หลวงที่มัหอาจะผ่านให้กระโดดกระดิกไม่จราจรมันบอก แยกตอนไหนโค้งตรงหนถ้าอ่านออกดูลักษณะรูปแบบกระถางโค้งก็ทําเป็นลูกช่อยโค้งโค้งต่ทางเช็ดงอสอบก็ทําเป็นลูกสารงอกเป็นศอบแล้วก็สะดวกเราจะเดินไปยังไงเขาบอกกแน่ละ ผิดเขาบอกว่าบันผิดเราจะต้องเดินไปทางผิดมันไม่ใช่ตกเหนีายวป็แต่ทุกผิดพาให้ผิดทุกไปให้ทุกมันไม่ใช่ถ้านั่งรถเดินทางายทางดีทางเมื่ ป้ายจราจรสมบูรณ์แบบน้าจะบอกกันเลยถึงจะหมายปลายทางมีปัญหาเลยอะไร น, นี่บอกอย่างนั่งเครื่องบินแบบได้นี้มันก็มีทางนะก็ขาขีดไว้เหมือนกันแต่ดามันไม่ขึ้น ที่ใดมันจะบอกอีกกี่นาทีให้ผู้โดยสารนั่งปรับปุยให้ตรงรถเข็มตัดมีเครื่องสองเอไวยใต้โต๊ะที่นั่งให้เรียบร้อเขาจะเจอขึ้นอยู่ข้างหน้านี่เขาบอกนักเดนเรือทะเลเขาก็บอก ร็อยู่อ ย, อ, ย อ, อ, อยู่ร่องเหนถ้าเรืออยู่ร่องเนเราจะไปเกาะคาโรเตาไปที่ถ้าเรือถามนายท่าเขาบอกว่ายังไปไม่ได้เราสมกําลัง อยู่บนเกาะตำรวจเข้าฟังไม่ได้เขายืนไม่มีเครื่องมืออะไรไม่มีกล้องอะไรเพราะอะเขาทํานานอีกสหน่อยถ้ามันเข้าได้จะบอกก็รดั่งอยู่ด้วยกันนะ่ะไม่ได้มีอะไรเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอีกสหน่อยเขาก็บอกอย่างเงี้ยาม า, มา เข้าได้เร็วเข้าไทั้งหมอเช่ากว่านี้ไม่ได้ลงเรือไปก็พาวิ่งไปเกาะตะรุเตาพนะอเรือถึงเกาะขึ้นจอดฝังจอดท่าเรือได้พอสงซับใหม่เรายังไม่ได้ลงเรือหมดเลยน่าเขาบอกว่าผมก็ว่าเ่ากว่านี้ ไ, ได้ เขาต้องมาเยี่ยมลูกแลาะเขาชำนาญในการเดินทางประจำคำนวณลึกคำนวณรหัสในชีวิตของเขามันก็มีรหัสระชื่อของเราด้วยเช่นคนเฝ้าซักสมบัติเฝ้า บ, บ้านเขาชำนาญในบ้านเดือนเขา มีรหัสแบบไหนการคืนเป็นรหัสแบบใดถ้ารหัสผิดปกติแสดงว่าอะไรเกิดขึ้นมีโจรคุณล่ายอะไรมันบอ ก, ล ห, ลกอหลายอย่างเขาก็เอือแฮมขึ้นมาเพื่อบอกว่านี่เจ้าของมียังไม่โอนอยู่นี่ อันนี้ก็นะ่อันชีวิตของเราแท้ๆทาไมเราไม่หลงความหลงก็เป็นรุ่นเป็นคน้อนความทุกข์ก็เป็นรุ่นเป็นข้อนความผิดความถูกความพอใจความไม่พอใจบังสัมผัสได้ต่างกันอยู่ <c oughs> แต่ความไม่หลงเราก็ได้ฐานได้กรรมได้หลักฐานแบบนี้สัมผัสความหลงสัมผัสความไม่หลงเป็นอย่างไร แล้วก็มีอย่างนี้อยู่แน่จริงๆอ่หรือว่าเราด้านไปเรื่องนี่บ้างเราเหลือแล้วมันหลงก็หลงแล้วุกก็ฉกมันด้านแล้วเหลืออาจจะด้านนะเพราะไม่เคย ร, รู้นะมนหาหัดรู้ของก็ถากก่างกัอยู่ได้เราเคยด้านเรื่นี่หมามันกันหลงอยู่ได้ทุกอยู่ได้โกจยูได้ ก็คิดถึงความรอกเอีย่ยมใจไม่กินข้าวเค ย, ย, ยเอียมเคยเคยอียมแล้วสิ่ความทุกอยหางหดแห้งเศร้าหมองก็ก็เคยแบบนั้นแล้วก็ยังยอมอยู่ในสภาพแบบนั้นมันไม่มีเหนือกัอ น, น, นเลยพอลงมาประกมรรมฐานโอ้ยกระดือกระดุลนนะพอมาคิดไปอยธรมา เอากรรมฐานเป็นาาปที่ตั้งกรรมคือกระทํทารฐานคือที่ตั้งมันตั้งไว้ได้กลรมมาได้ชีพไปกรรมมามากกันสุขกลรมมาลูกมันทุกขกลรมมาลูกอาจจะมีอรหัตใหม่ใหม่สมผัตใหม่ใหม่ สามบาทความหลงสัมผัสความไม่หลงตรงกันใกล้ๆ ก, กันเทียบเทียบกันได้เหมือนของสองขิ้นเอามาเทียบเทียบกันดูอันหนึ่งเป็นอย่างไรลักษณะหนึ่งเป็นอย่างไรเราได้สัมผัสโดยเฉพาะกิตใจของเราได้สัมผัสร่างกายไว้สัมผัสไม้เป็นหนอกเอาใจมันภาเป็นไงก็เป็นไปตาม กายกายนะเ า, าใช้สัมผัสเรียกว่าลถโลกโลถธรรมมันจะต่างกันแบบไหนรถพระธรรมยอมนนรร่อมชนลดท่องปวงกุศลเรากุศลมันคนละแบบคนละมมกันเหมือนกับน้ำเหมือนกับบกต่างกันอยู่ นางก็ต้องแวกไว้ยบกก็ต้องขึ้นนั่งถือเฉยไม่ต้องแหว่ต้องว้ขึ้นฝังเราขึ้นนั่งอยู่บนฝั่งเห็นคนที่แหวกวาอยู่ในห้องน้ําแต่รู้สึกยังไงเราจะต้องไปเห็นว่าการแกวกวาเป็นดีกว่านั่งโยนฝั่งกระโดดลงว่ามันเป็นไปไม่ได้ เอาเล่นที่โคนเราสะอาดตู้เชื้อผ้าสะอาดยืนจบกระเป๋ามาันก็ต่างกันอยู่มันไม่เปิดเคลื่อนอะไรรถพระธรรมเป็นอย่างนี้ถามผัดถามผัดแล้วทำให้เป็นด้วยมันเห็นมันไม่เป็นน่ะน่ะมันมาด้วยกัน เรงต่องบอกว่าเห็นไม่เป็นเนี่ยนมันจะลุกกรัได้เยืนเหนือกลับขึ้นกรับใครจะมีบาปในกรรมเด็ดไหนมาให้มาทำแบบนี้เกินโชกเฉิดร้อนเรื่องเวลาให้มาทำแบบนี้ให้มาทำแบบนี้กันจึง ใช้ชีวิตเพื่อทํางานแบบนี้เจอเดือนุอยแล้วเจอนุอย่ยเต็มทีแล้วแล้วก็จยากจะบอกแบบนม่แล้วก็มันเรื่องอะไรด้วยเนี่ยเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับใครเช่นไหนเกี่ยวเป็นเรื่องของเราแท้ๆนะ ความหลงกันเดียวกันไม่ต่างกันความสุกความทุกข์อันเดียวกันไม่ต่างกันความไม่สุขไม่ทุกข์อันเดียวกันมันไม่ใช่คนละเรื่องกันรสชาติก็เหมือนกันถ้ารู้รื่องเดียวกันก็เป็นคนคนเดียวกันได้จะดอกแข็งใจกันได้ก็ไม่เดีย่ยนกันได้ นีแต่ความเมตตาคนหนาสงสารช่วยกันได้ถ้ามันไม่เห็นอย่างเดียวกันก็ทะเลาะกันฆ่ากันได้คนที่เป็นทุกข์ก็ต้องฆ่าระทุกทุกข์ด้ว ก, กันโกรธ โ, โกดกันฆ่าทําลายกันเองมันแลเบิดแล้วเบิดก็ทําลายตัวมันเองถ้าเบิดลูกไหนก็ทําลายตัวมันก่อนจึง่งจะทําลายอันอื่น คนก็ชอาในความโกรธคนเราเปิดจากตัวเราไปทํำลายคนอื่นได้แต่ <c oughs> เราไม่มีความโกรธมันก็จะช่วยกันมันจะไม่อยู่เย็นไปถูกได้ไงถ้าเรามีทำในหัวใจเราแล้วมันก็เหมาะเจารงานของชีวิตเราจะไปทําให้มันเกิดประโยชน์เเพื่อนมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่า ง, ง, งในโลกได้ แต่ว่ายังไงอะไรเล่าที่มั น, ปนไปเสิร์ตไปขว่าเรื่องนี้จันไปหลงไปเล่นไปโมเมาที่ใดเราไม่ได้มาศึกษาเรื่องนี้ที่มันเป็นอ่าเดชพัยในของเราแท้ๆในความเย็นธรไมยังร้ออยู่ในความโบธรรมยังมากันหนักอยู่ น่าจะเอามันใช้มันให้มันถึงจุดหมายปลายทางสักชีวิตเราหนาจะคุ้ค่ายากเหลือเกินที่เกิดมาเนี่ยในวันเกิดของเราเนี่ยมีคนสองคนเฉียงเชียงตายมีแม่มีลูกอยู่เลนขันเชียงกันทั้งสองคนต้องทะุทะลองกันอย่างมาา เราเกิดออกมาแล้วก็ยังต้องดูแลกันจ่าอุทิศชีวิตให้เลยยังไม่แต่อะไรไม่ให้ตองผัว ท, ที่เราจะมาเป็นแบบได้ได้อะไรที่มันสมกับที่เราเกิดบ้างเคยไปพูดกับพ่อกับแม่บ้างไหมถ่มามันคุ้มค่าไหมลูกสาวของแม่เนี่ยลูกชายของแม่เนี่ยคุ้มค่าหรือย่าง ไปไปบอกพ่อบอกแม่ไหมถ้าพ่อแม่ไม่มีก็ปกเดี๋ยวนี้ว่าลูกชายของแม่ลูกชายของพ่อลูกเสาของพ่อของแ ม, อ แ, อ แ, แม่อยู่เนี่ยแทนพ่อแทนแม่เนี่ยแม่ยังไม่ตายพ่อยังไม่ตายตเราได้เลือดไปเลือดชีวิตจากพ่อจากแม่จะทาอยู่เนี่ย มันจะไม่ประเสิดยังไงมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแบบเนี้ยแล้วใช่เกิดมาเอาตายไปกป่อวอกคอย้อกผองห้ อ, อให้ึงอะไรอาวบนถึงกันอนไรมนไม่มีประโยชน์ <c oughs> แล้วใช้ชีวิตแค่ให้มาคุ้มค่าอย่างเนี้ยชวิตของเรก็เหลือน้อยก มีอะไรก็เปิดเผยออกหมดบอกหม ด, หมดโูตายผิดโศตรายเอาพอป ก, กันน่าเป็นอย่างนี้จริงๆ <c oughs> น่าเป็นรอยขีดบนดินบนหินบนน้ำลบไปเรียบเลยนะไปมีรอยขีดสกุกทุกๆุกแบบน้ลบกอ ให้มันมีแต่สติมีแต่ปัญญาเรียบไปเลยแทนไม่มีคลื่นแทนเดี๋เรียบไปเลยน ะ, ะถ้าจะไม่มีลอยอะไรแล้วเส้นเวรเส้นใตรให้มีไตรอะไรอีกแล้วเรียวว่าอัดเหยาะอัดลิศแต่ว่าฆ่าศึกย้๊าไปแล้วปลอยยาฆ่าศึกแล้ว อางนี้นะด๋ยวมาเชื่อเรานะให้ทําโอนะ๋ให้ทําโอ๋ตอนนี้หลองตาจะไปได้ไหมอาจารย์เงถินเป็นหัวหน้าพาไปเอนอู้ดีลมรัเ่ไปสักวันเดียวกลับ ม, มาตอนเย็นไปเจ้าเท่าเจ้ า, จาหน่อย แันเท้าที่ลงทานมีคนจะยกที่ให้เป็นสำนักสาขาสุโขให้อาจารย์เฉินเป็นคนตัดถิงนใจเราไม่มีปัญญาอีกแล้วหมดสภาพแล้วขอตายเช่นนี้ให้หมดเช่นนี้ไปเฉย ไม่มีกำลังที่ตัดสินใจเรื่องใดได้ได้รับที่มามากแล้วแต่ไม่สำเร็จประโยชน์ขื้ในให้เขาก็มีที่ระยองเขาคอยเอาสร้างกติือให้เป็นหลายบาทศาลาจกขึ้นให้เขา ไม่สามารถที่บริหารได้เป็นวัดใต้ตามพัวะสงคงของเที่ยวภาพของก็เลยไม่มีปัญญาดอกเกินี้ไม่ใช่ขนขวายขนขวายก็แค่นี้ mm hmm. บอกผิดบอกถกเท่านี้เองมานั่งอยู่ที่นี่เท่านั้นตอนเช้ามานั่งพูดพอพูดได้พงไมเสียงตอนเย็นไม่ค่อยมีเฉียงหูก็หนหกว ขอใช้ชีวิตแค่น like so like like ี้เท่านั้นเองอย่าหาประโยชน์จากเราอย่าหวังเอาไลไรจากเราจะหวังขพ้นเราอีกต่อไปให้เพิ่งตัวเองให้มากๆจะยืนไหมเอาสมควรเลยลหร